สงเนนแล้วก็เจริญพรญาติโยม ท, ทุกท่านทุกคนนะตั้งใจฟังการฟังธรรมะวันนี้อาจจะแต่หมูพวกเราคนที่เคยฟังการเคยแพร่ธรรมะแลกงานประกาศธรรมะ นั้นเราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วหรื อ, อยังอันนี้เป็นการถามพวกเราหรือเราเพียงจดจำมาจากคำพูดของคนอื่นเรายังไม่เคยได้ทดลองว่าดีชั่วอย่างไงผลที่ให้เราได้รับนั้น มีผลดีหรือผลทั่วอย่างไรเราจึงออกมาเผยแร่และประกาศธรรมะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นการเผยแร่ธรรมะการประกาศธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากแต่ดูสาวพุทธแล้ว การกระทำบางคนก็ได้รับผลดีบางคนก็ได้รับผลไม่พ่อยดีไม่นก็สมบูรณ์เป็นอย่างนั้นดังนั้นวันนี้ที่ผมหรืออตาตมาจะมาพูดก็จะพูดเรื่องส่วนตัวมากเพราะการเผยแท้ ธรรมะหรือการประกาศธรรมะซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะพูดเอาแต่สิ่งที่ตัวได้ปฏิบัติและได้รับผลสิ่งที่ปฏิบัติและไม่ได้รับผลนั้นก็จะพูดน้อยหรือบางทีอาจจะไม่พูดก็ได้ผมเป็นสาวพุทธเพราะว่าพ่อก็เป็นสาวพุทธ แม่ก็เป็นสาวพุทธผมเกิดมาก็ต้องเป็นสาวพุทธแต่ผมไม่รู้ว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรรู้แต่เพียงให้ทานนักษาศินตามประเพณีเท่านั้นเองเรื่องนี้จะพูดว่าเป็นคําสอนของพระเจ้าก็ได้หรือไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ แต่ก่อนนั้นไม่เข้าใจเมื่อก่อนที่จะเข้าใจเรื่องนี้มันมีวิธีทำให้เกิดปัญญาก่อนดังนั้นคนจะล่วงทุกไปได้กับเพาะปัญญาไม่ใช่จะเสื้อไปทันทีไม่ใช่หเมื่อพูดถึงวิธีทำให้เกิดปัญญานั้นก็เป็นวิธีทำจังหวะ แต่ไม่ได้เรียนแต่เรียนการกระทำมันนั่งตรงเอามือวางไว้บนขาคั่วมือไว้พลิกมือหัวขึ้นให้รู้สึกให้รู้ไม่ใช่ว่ารู้พลิกมือไม่ใช่อย่างนั้นคือให้รู้เฉยๆยกมือขึ้นให้รู้สึกเอามือมาสะเดือให้รู้สึกไม่ใช่เอามือมาทึบสะเดือไม่ใช่อย่างนั้น เอาเพียงรู้สึกเบาๆเท่านั้นเองมือซ้ายเทคขึ้นก็ให้รู้สึกยกมือซ้ายขึ้นให้รู้สึกเอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวที่สะดือให้รู้สึกเลื่อนมือขวขึ้นหน้าอกให้รู้สึกเอามือขวออกมาตรงข้างให้รู้สึกให้มันหยุด ให้มันรู้สึกว่ามันหยุดลดมือขวลงที่ขาหัวตะแคงไว้ให้รู้สึกข้อมือัวลงที่ขาหัวให้รู้สึกเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้รู้สึกเอามือซ้ายออกมาไปตรงข้างมันหยุดให้รู้สึกลดมือซ้ายลงตะแคงและขาซ้ายให้รู้สึกข้อมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้รู้สึกเอารู้สึกเบาๆ ยังเอาทำความรู้สึกตัวทำสลับกันนั่งพระเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้นั่งเยียดขาก็ได้แม้ที่สุดนอนทำก็ได้ทำอย่างเดิมยืนทำนั่งทำนอนทำอย่างนี้เลิกเข้าใจว่าทาแล้วมันเกิดความรู้ความรู้ที่เกิดขึ้นน่ะก็ไม่อื่นไกลรู้ธรรมชาติ รู้ของเดิมจีบของเดิมแท้เป็นธรรมชาติแท้แท้ศึกษากับของเดิมศึกษากับธรรมชาติจริงจริงดังนั้นรู้ก็รู้รูปรู้นามรู้รูปทำรู้นามทำรู้รูปโลกรู้นามโลกนี่เองเมื่อรู้รูปโลกนามโลกนั้นมีสองอย่างเดียวกันโลกทางเง้อหนังก็รู้ โรคทางจิตใจก็รู้โรคทางเนื้อหนังเส้นเจ็บหัวปวดท้องเป็นบาดเป็นแผลให้ว่าเป็นโรคทางร่างกายก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลถ้าหมอตรวจเซตร่างกายแล้วหมอจะให้ยาบางทีหมอไม่เก่งไม่มีความรู้พอจะให้ยาเพียงหลังนบแก้ปวดเท่านั้น แต่บางทีไปเจอเอาหมอดีๆเราอาจจะตกใจหมออาจจะเอ๊ะโรคสนิดนี้กินยาระงับไม่หายถ้าจะให้มันหายต้องผูผ่าตัดเขาจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่คนผู้ที่เป็นโรคกลัวไม่อยากผ่าตัดเพราเป็นโรคเล็กน้อยก็อยากได้ยาระงับประสาท อยากแก้ปวดแล้จไปหนีไปเป็นอย่างนั้นก็มีอันนั้นเรียกว่าคนที่ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือรักษาโรคของตัวเองให้หายถ้า ห, าหมอกล้าว่าจะผ่าตัดเนื้อร้ายออกให้มันหายทีเดียวเราก็ต้องมีความสามารถกล้าถ้าหมอเก่งก็ต้องกล้าอันนี้เป็นโรคทางเนื้อหนัง โลกทางจิตใจเล่ากอคือชอบพอใจเกลียดไม่เข้าใกล้อันนี้ว่าโลกทางจิตใจต้องมีการศึกษาให้มีความรู้สึกตัวมีเอกคุณค่าของความรู้สึกตัวนี่หาอะไรมาประมาณไม่ได้ แล้วมันเลยไปตรงเอากับคำโคดคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไ ว, ว้ททนนไ ว, ว, ว่าให้มีสติกาหนดรู้ในอิเลียบทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดควรให้มีสติรู้ทันว่าอย่างนั้นเมื่อมาทำอย่างนี้เลยมันเกิดปัญญาเกิดการเห็นแจ้งทางทจิตใจ เข้าใจทราบซึ้งของเดิมแท้รือธรรมชาติแท้ๆก็เลยรู้จักทุกขังอนิจจังอนัตตาเป็นขั้นเป็นตอนไปรู้แล้วก็ไม่หลงไม่ลืมเข้าใจสัมผัสแนบแนงอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเมื่อรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยรู้สมมุติ สิ่งที่สมมุติขึ้นมาในโลกนั้นรู้ให้ครบให้จบให้ทั่วเส้นเรายกตัวอย่างขึ้นมาผีเทวดาเคยถามคนมาหลายครั้งหลายหนแล้วเคยเห็นผีบ้างไหมไม่เคยเห็นบางคนก็ว่าเห็นบางคนส่วนมากว่าไม่เคยเห็นแต่ก็กลัวผี แสดงว่าเรายังไม่มีความสามารถที่จะรู้ผีได้แล้วเคยเห็นเทวดาไม่กราบไหว้เทวดาให้เทวดามาคุ้มครองป้องกันอันตรายเคยเห็นบ้างไมมถามก็รปรากฏว่ามีน้อยคนแทบจะไม่มีเสียเลยว่าเห็นเทวดามีแต่ทำกันตามตามมา ปู่ย่าตายายเคยทำย่างไรก็ทำมาอย่างนั้นอันนั้นประกาศหรือเผยแร่จำคำพูดคำสอนของคนอื่นมาที่ตัวของผมและตัวอาตมานำมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก่นเราเผยแร่สิ่งที่เราได้พบประสบหรือได้ประเสริฐหน้ามันมานี่ อันนี้จึเสื่อมั่นในการกระทาของตัวเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าเชื่อถือโดยเขาพูดตามกันมาอย่าเชื่อถือโดยเขาเล่าลือกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่าเขาทำตามกันมาอย่าเชื่อถือเห็นว่ามันมีอยู่ในตำราคำพีท่านสอนไว้แม้่าเชื่อถือสิบข้อนะ ถึงครูบาอาจารย์คนที่พูดที่สอนท่านไม่ให้เชื่อถือทั้งหมดแล้วเราจะไปเชื่อที่ตรงไหนทําอะไรจึงจะเชื่อมั่นได้เมื่ออายุสี่สิบกว่าปีนี่เองก็เลยมีความเชื่อมั่นเพราะการกระทําให้เกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วก็เลยมาแก้ปัญหาตัวเองได้ถ้าจะพูด ตรงๆก็เรียว่าคายๆคือมีตาทิพ์มีหูทิพ์นี่แหละแต่ตาทิพต์หูทิพ์ในทีน่นี้ไม่ได้หมายถึงการมองไปไกลๆและฟังคนพูดอยู่ไกลๆไม่อย่างนั้นคือตาทิพ์สามารถมองเห็นผีได้มองเห็นเทวดาได้หูทิพ์ก็มีความสามารถฟัง คำพูดคำสอนของคนที่พูดผิดพูดถูกพูดตรงพูดไม่ตรงนี่ฟังได้เมื่อฟังได้อย่างนั้นผิดเป็นยังไงผิดก็เรื่องของคนนั้นพูดก็เป็นเรื่องของคนนั้นเราเพียงฟังแก้ปัญหาตัวเองเท่านั้นเองเพราะตัวเองเห็นรู้เข้าใจผี ถามแล้วคือไม่เคยเห็นเคยได้ยินแต่คนพูดคนกล่าวว่าคนทำชั่วไอผ้ผีคือผีถ้าเป็นผู้หญิงก่านางนี้เป็นผีคือผีทำเหมือนผีเคยได้ยินแต่แต่ไม่รู้เมื่อมาทำจังหวะให้เกิดปัญญาขึ้นมามีการเห็นแจ้งรู้จริงแต่ตัวคนไม่ใช่ผี ตัวคนก็เป็นคนนั่นเองพ่อเกิดจับคนก็ต้องเป็นคนเป็นลูกคนแม้จะเป็นคนดีคนเลวก็ยังเป็นลูกคนคนสวยคนรวยก็ยังเป็นลูกคนคนดําคนขาวก็ยังเป็นลูกคนให้ว่าหน้าตาแขนขามือเท้าเป็นคนทั้งนั้นจะเป็นคนจีนก็เป็นคนเช่นเดียวกันเป็นคนไทยก็เป็นคนเช่นเดียวกัน เป็นคนฝรั่งเศส ก, ก็เป็นคนเช่นเดียวกันเป็นคนอังกฤษเป็นคนอเมริกาคนเยอรมันคนคามนคนยวนคนลาก็เป็นคนเช่นเดียวกันนี่เป็นยางนงเนื่การโกหกก็โกหเหมือนกันนี่คนถือศาสนาพุทก็ยังโกหเหมือนกันคนถือศาสนาคิดก็ยังโกหเหมือนกันคนถือศาสนาอิสลาม หรือมหมัตย์หรืออะไรหลายศาสนาก็ยังโกธเช่นเดียวกันแม้คนถือศาสนาเชนเนี่ยศาสนาเซษเดียวนี้ก็มีการขึ้นซื้อหรือเสียงกันก็ยังโกธอยู่เช่นเดียวกันคนถือศาสนาพ ร, ร า, าหมณ์ศาสนาฮินดูที่ดึกดำบรรมานั้นก็ยังโกธรอยู่เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้คนละข่มโกธ ทำไมจึงละไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักสรรเสริงในคำพูดนั่นเองแล้วเราก็เลยไปประกาศไปเผยแพร่ผลมันจึงได้น้อยขอให้ทุกคนทดลองดูว่าทำยังไงจึงจะเกิดปัญญาไม่ใช่ปัญญาหาเงินไม่ใช่ปัญญ า, าทำให้มันเกิดปัญญารู้ เข้าใจวิธีมาแก้ปัญหาคือให้รู้จักว่าศาสนาสอนแท้คืออะไรศาสนาหมายถึงอะไรพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไรพุทธศาสนาเนื้อแท้หมายถึงอะไรเราต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจเมื่อเกิดปัญญาแล้วนี่ดังนั้นจึงสามารถมองเห็นผี มองเห็นเทวดาได้เมื่อเกิดปัญญาดังนั้นคนจะล่วงทุกประเด็เพาะปัญญาล่วงทุกประเด็เพาะว่าไม่สงสัยไม่กังวลใจนี่เองทําลงไปแล้วมันเกิดความรู้ความเข้าใจเพราะสัญญามันรู้เองสัญญามันทำหน้าที่ของมันสัญญาปแปลวความหมายรู้จำได้เป็นอย่างไร รู้ศาสนาศาสนาคือคำสอนของท่านพูรู้ใครรู้เรื่องอะไรคนนำเรื่องนั้นมาสอนเท่านั้นเองพุทธศาสนาพุทธศาสนาคือมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงหรือรู้ธรรมศาสตร์รู้ของเดิมเตือนแปลไปจากธรรมศาสตร์ไม่ได้เตือนแปลไปจากของเดิมไม่ได้ถ้ารู้ไม่เป็นธรรมศาสตร์รู้ไม่เป็นของเดิมก็ หมายถึงว่ า, าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่พระพุทธเจ้าสอนให้แก้ปัญหาเรื่องทุกเรียกว่าอริยสัจสคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกคนพูดได้ทุกต้องกาหนดรู้สมุทัยต้องละมรรคต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งเราพูดกันได้เผยแผ่คำพูดสอนคาพูด ประกาศคาพูดแต่ไม่ใช่เป็นคำพูดของเรานะเป็นคำพูดของรพระพุทธเจ้าเราต้องปฏิบัติต้องทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ให้มันได้ดังนั้นคนกลัวบาปแต่บาปคืออะไรไม่รู้คนต้องการบุญบุญคืออะไรไม่รู้ตัวของผมเป็นคนไทยถือศาสนาพุธมาไม่รู้ ต่อเมื่อมาทำวิธีที่ทำให้เกิดปัญญานี่แหละรู้ได้เห็นได้เข้าใจได้บาปก็คือโง่นั่นเองมาอย่างนั้นน่บุญก็คือรู้นั่นเองบาปนั่คือมืดบุญคือสว่างเมื่อมืดไปไหนมาไหนก็ไม่รู้ทิศทางเมื่อสว่างแล้วไปไหนมาไหนก็รู้ทิรู้ทางไม่หลงกอกหลงซอย ไปไหนก็ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นพุทธศาสนาเปลีผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานด้วยธรรมรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะแนบแน่นอยู่กับธรรมะท่านว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นการรู้ภาคต้นผีคือคนทาชั่วพูดชั่วคิดชั่วชั่วคือผีแต่จิตใจมันเป็นจิตใจเป็นผี เทวดาคือคนพูดดีทำดีคิดดีเลี๋ยวคือเทวดาเนี่ยให้เห็นเทวดาเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้พูดให้ฟังแล้วฟังจดจำพิจารณาตรีตองอันนี้เรียกว่าฟังด้วยเหตุผลฟังตรีตองด้วยเหตุผลดังนั้นพุทธศาสนาสอนจึงมีเหตุมีผลไม่ใช่สอนให้เสือทันทีเสือทันทีมันผิดไป อย่างที่องค์ุลิมานอาจารย์สอนว่าให้ไปฆ่าคนนี่จะสอนคถามนต์ดีๆให้เสื้อทันทีไปกว่าฆ่าคนไปโศกดีมีพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วเป็นอย่างไนเมื่อฆ่าคนไปเป็นจนํานวนมากเรียกเป็นพันๆคนแล้วทีแรกฆ่าไปไม่ได้เอาอะไรไว้เป็นหลักฐานอย่างนั้นนานไปก็เลยคิดสะดุดใจว่าจะเอาอะไรเป็นหลักฐานตัดเอาเนื้อมือ ห้าคนนั้นก็ตัดเอาดีมือหนึ่งข้อเอาคนละข้อละข้อไปได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าข้อยังอีกข้อเดียวยังไม่ถึงพันได้ถึงพันแล้วจะกลับไปหาอาจารย์ให้อาจารย์สอนคาถาดีๆวิเศษให้พอดีมันมีซื้อเสียงดงดังไปคนก็กลัวเมื่อคนกลัวแล้วก็ ไม่เห็นคนคนก็หลบหนีไปจะไปฆ่าแม่ตัวเองโชคดีมีพระพุทธเจ้าไปขววงหน้าเอาไว้เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าคนเลยเปลี่ยนแนวคิดจะไปฆ่าพระพุทธเจ้าเดินไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธก่เดินไปองคุลิมานเรียกพระพุทธเจ้าอะองค์คุลิมานว่าสมณะโหดมไม่กลัวตาจะเดินไปทําไม เราไม่กลัวตายเราไม่เดินเราหยุดแล้วยากโกหกเดินไปที่ตรงนั้นองคุลิมานพูดกับพระพเจ้าพระพุทธเจ้าตอบว่าเราไม่ได้เดินเราไม่ัวหกเราหยุดแล้วยุดทำไมเดินไปอยู่เนี่ยเราหยุดจากการทำทั่วการพูดทั่วการคิดชั่วนี่ยพระพุทธเจ้าสอนคนกำลังทำผิดให้เขาทำถูกสอนคนกำลังที่ ไม่รู้ให้เขารู้สอนคนที่ดังโง่หลงอยู่ให้กลับคืนมาสลาดสอนคนที่กำลังมีทุกข์ให้เขาหมดทุกข์ไปองค์คุลิมาได้ฟังอย่างนั้นปรับตัวได้เลยแสดงตนเป็นสาวกของพระเจ้าเลยหยุดจากการทำชั่วนี่ฟังแล้วเสื้อทันที โดยที่ไม่ใส่เหตุผลดังนั้นคําว่าบุญบุญนี้ให้เข้าใจจริงบุญคือความสุขบุญคือความไม่มีทุกทําลงไปแล้วคนอื่นเขามีความสุขเราก็มีความสุขนั่นแหละคือทําบุญเราทําลงไปแล้วคนอื่นมีความทุกเรามีความสุขอันนั้นไม่ใช่บุญมันไม่ใช่มีความสุขมันเป็นกินเละดังนั้นความคิ นี лось, ่ให้รู้จักจริงๆบัดนี้ขึ้นพักสองเมื่อจบพักต้นก็ขึ้นภักสองเมื่อรู้รูปรู้นามรู้รูปธรรมนามธรรมรู้รูปโลกนามโลกรู้ทุกขังรู้อันิจังรู้อนัตตาลู้สมมติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาคลู้บุจบพักต้นเพราะการทำจังหวะเกิดปัญญาให้รู้ เมื่อรู้มาจบภาคนี้แล้วมันมีความรู้เสนิดหนึ่งแทรกขึ้นมารู้ออกนอกตัวไปอยากไปพูดไปสอนคนอื่นอันนั้นเป็นเป็นความรู้ที่เกิดอุปสรรคเรียกว่าวิปจันทร์อุปกิเลสห้ามไม่ได้แต่อย่าไปทํากับมันให้มันคิดไปอย่าไปทํากับมันให้พยายามทําความรู้สึกตัวเมื่อความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นความรู้นนะั้นก็จะจางไปจางไปเป็นอย่างนั้น เมือนกับขุดนำบ่อขุดบ่อน้ำขุดลงไปลึกๆขุดลงไปลึกๆน้ามันเป็นตมเป็นเลนก็ไสไม่ได้เราก็เป็นหน้าที่ที่จะตักตมตักเลนนั้นออกเท่านั้นเองน้ำข้างในมาจากหลั่งออกมาจากรูน้ำมันก็จะมาน้างตมล้างเลนในบ่อนั่นเป็นหน้าที่ตักตัก ออกวิตออกน้ำจะใสเองอันนี้ก็คือกันมันยิ่งคิดขึ้นมาเราก็ยิ่งรู้เราตักออกมากเท่าใดน้ำก็ใสเหลวขึ้นเท่านั้นนั่นเปอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันมันยิ่งคิดเราก็ยิ่งทำข่มรู้ตัวมันคิดอะไรเราก็รู้สึกตัวบ้างอ้ามก็หยุดไปทีแรกจะเตียบให้ฟังเหมือนแมวกับหนู แมวตัวเล็กหนูตัวโตวแมวไม่เคยกลัวหนูหนูออกมาแมวมันจะจับปุ๊บทันทีหนูมันตกใจแมวมันก็จับหนูติดหนูไป แมวมันก็จับหนูติดหนูไปหนูตัวโตวดึงแมวไปได้แมวเหนื่อยแล้วมันก็วางหนูแต่เราจะไปโทษแมวอ่ะแมวทำไมมึงจับหนูไม่ได้จะไปโทษอย่างนั้นแต่เราให้อาหารแมวมากๆเมืม่อแมวไม่ได้กินอาหารมากๆ ม, มันก็โตเร็ ว, วอ้วนเร็วเมื่อหนูตัวแลว้วเรอหนูตัวโ ต, วตวอ้วนมาขนาดไหนแมวมันก็ไม่ขูด พอดีหนูออกมาแม่มาตอกคบอย่างแรงหนูกระดิบตัวไม่ได้อันความรู้สึกตัวเนี่ยกวเช่นเดียวกันเราอัดความรู้สึกตัวให้มากความรู้สึกตัวตื่นตัวความรู้สึกใจตื่นใจอย่าลืมตัวใช่ไหะคนโบราณอย่าลืมนูวลืมตัวอันนี้ก็เหมือนกันอย่าไปลืมตัวถ้าหลงตนลืมตัวหลงกายลืมใจแล้ว มันเป็นอุปสรรคมันเป็นอุปสรรคเรื่องนี้ทุกคนทําได้ไม่ว่าจะถือศาสนาไหนจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กฤษคนอเมริกาคนเยอรมันคนคาเมนคนยวนคนลาคนชาติใดก็ตามถือศาสนาไหนก็ตามลณที่ใดก็ตามทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรทําแล้วเพื่อจะมาแก้ปัญหา ตัวเองให้รู้จักผีคืออะไรอยู่ที่ไหนให้รู้จักเทวดาเคารพอยู่ที่ไหนคืออะไรเราเคารพแล้วแล้วได้อะไรเราจะได้รู้เป็นอย่างไนต่อไปเราจะได้ปลาหรือสําลรกสิ่งที่เป็นวัตถุทุกอย่างเป็นปรมาทุกอย่างเป็นอาการเป็นทุกอย่างคือโทสะ โมหะโลภะก็จะจางคายไปเมื่อโทสะโมหะโลภะจางคายไปได้เพราะอะไรก็เพราะปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงตามกฎของธรรมศาสตร์ทาให้เกิดปัญญาทําให้เกิดปัญญาไม่ใด่ทําให้มันสงบแต่ความสงบนั้นเป็นผลถลิด้ได้มันสงบจากโทสะ สงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากกิเลสสงบจากตัณหาสงบจากอุปาทานเพราะทมถูกวิธีอันนี้เดี๋ยวเป็นการบำเพ็ญทางจิตทางใจดังนั้นศีลจึงเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยางกิเลสอย่างยากก็ได้แก่โทสะโมหะโลภะนี่เอกเมื่อปัญญาเกิดขึ้น แล้วก็เห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริงสินจริงปรากฏที่เราไปรับสินห้าสินแปดสิน 10, สิบสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสินสามร้อยสิบเอ็ดตัวขอตา่างอันนั้นเป็นสังขมเท่านั้นเองยังจัดเป็นสินในทางพุทธศาสนาไม่ได้จึงว่าการเผยแพร่และการประกาศธรรมะต้องเผยแพร่ของจริง ประกาศของจริงนับรองว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้แลกกระทาเรื่องนี้สิ่งนี้มันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องกล้าอย่างนั้นจึงเอาออกมาเผยแร่เอาออกมาประกาศเผยแพร่วิธีธรรมประกาศวิธีธรรมเผยแร่ผลของการได้รับประกาศผลของการได้รับมันเกิดขึ้นมาดังนั้นพุทธศาสนาสอนจึงมีเหตุ เมื่อศิลป์ปรากฏขึ้นมาก็เห็นศินศิลนวกาแปลปกติเมื่อมีปกติแล้วอะไรมากระทบก็รู้ทันทีเห็นทันทีเข้าใจทันทีแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นได้ทันทีนี่เรียกว่าศินเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างย่างสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางสมาธิไม่ใช่เป็นนั่งสงบให้มาสงบอย่างสงบอันนั้นก็ดีแต่ว่า มันไม่จะเป็นสงบแบบพระพุทธเจ้าสอนมันเป็นเรื่องสงบมีผู้พูดผู้สอนกันมาก่อนหน้าพระพุทธเจ้าก็มีการสอนเรื่องความสงบดังนะั้นความสงบความสงบนี้มันพูดติดปากกันมานานหลายร้อยปีแม้ถึงจะมีพระพุทธเจ้าก็พูดเรื่องความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าก็พูดกับเรื่องความสงบความสงบนั้นอนะ่ะมันจะมีสองอย่าง สงบแปกไม่รู้อย่างหนึง่งเพราะเราไม่เห็นเราก็ไม่สะดุดไม่สะดุง้งไม่ตกใจไม่วาดภาวะเมื่อเราเห็นเราก็สะดุง้งเราก็ตกใจเราก็วาดภาวะไปให้พ้นมันจึงสงบได้เมื่อไปไม่พ้นก็สงบไม่ได้เสมือนว่าเราอยู่ในป่าลึกแล้วก็มีเสือเราจะทํำยังไงจึงจะปลอดภัย เราต้องทำให้มันปลอดภัยถ้าเราไม่มีวิธีทำปลอดภัยเสือก็จะมากัดเรามากินเราหรือเราก็ต้องหนีไปให้พ้นอย่างนี้จึงจะเป็นความสงบถ้าเราอยู่ดงลึกเราไปไม่พ้นแล้วก็นอนหรือทามาหากินอยู่ที่ดงลึกๆนั้นไม่มีเครื่องกันก็สงบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคำว่าสงบ ในคําสอนของพระพุทธเจ้าคือสงบเพราะการเห็นแจ้งไปให้พน้นไปให้พ้นจากโทสะไปให้พ้นจากโมหะไปให้พ้นจากโลภะไปให้พ้นจากกิเลสไปให้พ้นจากตาัณหาไปให้พ้นจากอุปทานไปให้พ้นจากกรรมเหล่านี้นั้นที่ว่าเป็นสมาธิคือความตั้งใจตั้งใจไปให้พน้นถ้าไปไม่พน้นเขาเรียกว่าโลกีญาธรรม ไปไม่พ้นเขาเลยโลกีเนี่ยทำรรเป็นโลกีวิสัยของคนผู้ที่ยังไม่รู้คนใดไปพ้นเขาเลยโลกุตลรธรรมคนใดไปพ้นเขาเ่ยโลกุตละธรรมเวันนิพพานจึงไม่มีอันตรายไม่เป็นพิษไม่เป็นไทยแต่คนสมัยนี้ถ้าคนใดเข้าวัดไปศึกษาธรรมะหาว่าคนนั้นคือค้าอะไร เป็นคน อ, อกหักเป็นคนไม่มีแนวคนคิดเป็นคนไม่สมหวังก็เลยเข้าวัดคิดไปอย่างนั้นก็จริงแต่มันจริงโดยที่ว่าไม่ใซ้เหตุผลถ้าเราใซ้เหตุผลจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเป็นลูกมหากษัตริย์มีเรือนอยู่สามฤดูฤดู้ดอรฤดูหนาวฤดูฝนและก็มีบริวารคนไซ้เยอะแยะไม่พ้น แต่พระองค์ก็ยังเป็นทุกข์ถ้าองค์ออกไปศึกษาและปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนน ค, มมมมคนจะร่วงพุกไปได้เพราะปัญญาเนี่ยพันสอนเอาไว้ไม่ใช่ปัญญาอื่นไกลคือปัญญาหาทางวิธีแก้หาทางวิธีแก้าา แ, กแก้ความผิดให้มันถูก คนกำลังทําผิดต้องพูดให้ฟังให้เขากลับเข้ามาทําถูกต้องดังนั้นการพูดการสอนจึงมีหลายครูหลายอาจารย์ถ้าใครชอบธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนในประเทศอินเดียมีหลายละที่มีหลายอาจารย์สอนไม่เหมือนกันแต่ใจความนั้นบางละที่ก็อาศัยพระผู้เป็นเจ้า ก็เลยไม่เห็ุไม่ทำพระพุทธเจ้าจะมาบันโดนบันดาลให้ทั้งหมดเลยอันนั้นก็จริงถูกต้องแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าต้องมีเหตุผลทำดีผลออกมาได้รับทำไม่ดีผลชั่วออกมาได้รับได้รับผลกรรมที่การกระทำของตนเองนีสอนเหตุผลไม่ใช่จะไปคอยรอเอา พระพู้เป็นเจ้ามาบันดลบันดาลพุทธศาสนาสอนแต่ศาสนาคลิปศาสนาอิสลามนั้นเนื้อศาสนามหมามัทนั้นให้มีผู้ผบันดลบันดาลพระผู้เป็นเจ้ามาบรรดาลให้ทําตามแบบพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้ากว่าอันนั้นก็คล้ายคือกันถ้าเรามีปัญญาอันนี้ก็เช่นเดียวกันทําเหมือนกับพระพู้เเจ้า แล้วก็ได้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ได้หรือได้ไปในพานเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าก็ได้แต่ทำให้เหมือนกันกับพระพุทธเจ้านี่ดังนั้นสมาธิจึงเป็นเครื่องกบจัดกิรลสอย่างก่ากิรลยางกลางก็คือเราชอบเราพอใจนีว่าอันนี้นีว่าเป็นมัสสิมาปฏิปทาเดินทางสายกลางคำว่าเดินทางสายกลางไม่ต้องเอียงไปข้างซ้าย ไม่ต้องเอียงไปข้างคว้าเราต้องอยู่ตรงกลางคำว่าอยู่ตรงกลางในทีนี้คือว่าย่อนหนักตึงหนักย่อนหนักก็ไม่ดีไม่ดังตึงหนักก็ขาดทานไว้ถ้าพูดอย่างนี้มันมีปัญหาถ้าเราเอียงไปทางโทสัพมันก็ไม่ดีเอียงไปทางโลภะมันก็ไม่ดีทำลายโมหะให้ได้ท่านว้ยอย่างนั้นจึงจะเดินทางสายกลางได้ เมื่อยังทำลายโมหะไม่ได้ไม่มีความรู้สึกตัวก็ยังมีความหลงผิดจะเดินทางสายกลางไม่ตกเมื่อเรารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจในการทำการพูดไม่หลงตนไม่ลืมตัวเราก็อยู่ตรงกลางได้โลภะเกิดขึ้นเราก็เห็นเราก็รู้โทสะเกิดขึ้นเราก็เห็นเราก็รู้เพราะเราเห็นแจ้งรู้จริง ไม่มีสิ่งใดจี่มาบดมาบังเราได้อันนี้เรียกว่าสมาธิตั้งใจทําตั้งใจพูดเหมือนกันกันกบพระพุทเจ้าเขาทำความรู้สึกตัวการทําความรู้สึกตัวนี่จึงมีค่ามีคุณมากจะเอาเงินซื้อไม่ได้ให้คนอื่นทําแทนก็ไม่ได้สามีภรรยาทำแทนกันก็ไม่ได้ลูกจะทําแทนพ่อแทนแม่ก็ไม่ได้ พ่อแม่ทําแล้วจะให้ลูกก็ไม่ได้เราเคยได้ยินบ้างไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าพักขาตาโลตถาคตานพระพุทธเจ้าเป็นเพียงพูดแนแนวเท่านั้นเองการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเราดังนั้นการทําความรู้สึกตัวนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมันตรงกับคำพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าทําให้เกิดปัญญาได้จริง คนจะไปไหนมาไหนเมื่อไม่มีปัญญาแล้วมีอันตรายทั้งนั้นคนไปไหนมาไหนเมื่อมีปัญญาแล้วปลอดภัยทั้งนั้นอันนี้แหละที่ว่าคนจะล่วงพุกพอได้พอะปัญญเมื่อมีปัญญาทำบุญกอได้บุญเมื่อไม่มีปัญญาแล้วทำบุญอาจจะไม่เป็นบุญพอได้ดังนั้นเห็นเขาทำว่ามันดี แต่มันดีของเขามันไม่ดีของเราพระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนว่าสั์ทั้งหลายคือเราตถาคตสั์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสั์ทั้งหลายเป็นตถาคตเนี่ยท่านสอนอย่างนั้นสักทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแลแหงนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจกเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้แต่ทั้งสองทำอย่างไรทําอย่างพระตถาคตทําอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เรามีสติสติก็มันเป็นภาษาคําพูดสติก็แปลว่าข่มเราเลิกได้นั่นเองสัมปาชัญญะก็แปลว่าข่มรู้ตัวนั่นเองมีอันนี้สองมาก แต่เราไม่ได้พูดวาสาสติให้เราทำความรู้สึกตัวตื่นตัวทำความรู้สึกใจตื่นใจนี่เมื่อเรารู้สึกตัวการเคลื่อนการไหมจิตใจมันนึกมันคิดก็เห็นก็รู้รู้เท่ารู้ถึงจึงการปฏิบัติธรรมะท้าพร ะ, ระเจ้าได้ตักสรู้เพราะการทำทางจิตทางใจจิตใจด้านเป็นของเดิมมันเป็นของเก่า จะมาเป็นจิตเดิมเป็นของเขามีทุกคนฝรั่งก็มีคนไทยก็มีฝรั่งก็โกรธเป็นคนไทยก็โกรธเป็นจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปให้คนเรื่องนี้ใช่ไหมทวนกระแสของน้ำคือทวนกระแสความความคิดเห็นความคิดแต่ไม่ทาไปกับความคิดไม่ทำไปกับอารมณ์ทำไปด้วยสติทำไปด้วยปัญญาทำไปด้วยญาณปัญญาท่านว่าอย่างนั้น อย่าทำไปตามความคิดแล้วเราจึงพูดจึงสอนกันให้ดูความคิดมันคิดขึ้นมาเราเห็นเราลูกไม่ต้องทำไปกับมันมันเป็นอารมณ์นี่ว่าอารมณ์อารมณ์ทุกอารมณ์สุขติดอารมณ์ทุกทำไปกับอารมณ์ทุกติดไปอารมณ์สุขทำไปกับอารมณ์สุขคนมันมีคิดคิดคิดคิดคิดแล้วไม่รู้จกหยุด จยุดไม่เป็นนอนไม่หลับกินไม่ได้เป็นบ้าก็มีนักศึกษาเข้าใจว่าคนเข้าวัดไม่ทันสมัยแต่ความจริงพระองค์ได้ศึกษาดีแล้วอันนี้แหละมีเงินจากพันล้านก็ซื้อไม่ได้มีความรู้จบปริยายเอกจากสิบปริยายเอกก็ไม่ใช่กบสุกเรื่องนี้มีความรู้หาเงินหาทอง ยื้อแย่งสียงดีกันมีการเอาลัดเอาเปรียบกันนั้นพระพุทธเจ้าบอกวา่าทุกอันนั้นเลยคือข่มทุกมาจึงตรงกันข้ามดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนให้คนไม่มีการอิสสานิสยาเบียดเบียนกันเราเคยได้ยินไหมในประเทศอินเดียมีวันณะสี่วันณะท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้มาแล้ว ท่านก็เป็นลุกมหากษัตริย์ท่านไม่ให้ถือคือวันณะสูตรวันนาแท่วันนาผาวันณ ะ, ะมหากษัตริย์เข้ากันไม่ได้เนี่ยเมื่อเข้ากันไม่ได้เพราะเรื่องอะไรมันมีการขัดแย้งอยู่ในตัวมันขัดแย้งคนอื่นนั้นไม่ขัดแย้งในตัวของเราในตัวเรานั่นเองมันมีการขัดแย้งในตัวเมื่อมีการขัดแย้งในตัวนั้นก็เหตุก็เกิดขึ้น เมื่อเหตุเกิดขึ้นปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วก็ว่าขมเซ็งขมซึมเศร้าเศร้าหมองแล้วคุณมัวแล้วแต่จะพูดพูดภาษาง่ายๆอย่างที่บ้านเราเดียวเป็นทุกข์ขมาทุกข์ความเดียวมันกินคนกลัวทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์เพราะไม่มีเพื่อน <c oughs> ทุกข์เพราะไม่มีเงินทุกข์เพราะเกียจค้าน ทุพกพ่อไม่รู้นี่แหละถูกมากถ้าเรารู้แล้วข่มทุกนั่นไม่มีเพราะเราไม่ให้มันทุกเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ที่ตรงไห น, นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนหมดทุกคนกําลังมีทุกสอนให้คนหมดทุกคนกําลังมีความผิดทําไม่ถูกต้องสอนให้เขาทําถูกต้องสอนคนโง่อยู่ให้เกิดขึ้นมีคนสลาดขึ้นมา คนโง่เท่านั้นจึงทําผิดคนโง่เท่านั้นจึงทําไม่ถูกคนโง่เท่านั้นจึงมีทุกข์ท่านสอนอย่างนั้นแต่เมื่อพูดถึงคนโง่อย่างนี้พวกเราอย่าไปเสียอกเสียใจพ่อพูดคนจริงให้ฟังการเผยแพร่ธรรมะการประกาศธรรมะเผยแพร่ของจริงประกาศของจริงตัวเองได้รับผลแล้วจึงเอาไปเผยแพร่จึงเอาไปประกาศให้คนอื่นได้รับผลพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้น แต่เมื่อเรายังไม่ไรับผลเอาไปเผยแพร่เอาไปประกาศบางทีอาจจะทูกก็ได้ผิดก็ได้ภันว่าอย่างนั้นที่ตัวอาตมาหรือตัวผมพูดเนีเอาเถอะทำความรู้สึกตัวเนี่ยแกเนี่ยมีจังหวะวิธีทำการลุกการนั่งการเดินการนอนให้มีสติมีจังหวะทำให้ถูกจังหวะของมัน ถ้าทําอย่างนี้อ้าอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดให้เวลาหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานิสงไม่ต้องพูดเลยทุกจะหมดไปไม่มาก่อน้อยแล้วจะได้ัะความสงบจริงๆความสงบนั้นสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีไม่ใช่ความสงบแบบไม่รู้ สุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีคนจะล่วงทุกไปได้เพราะปัญญามีปัญญาแล้วได้ความสงบแบบเห็นแจ้งแบบดูจริงหนังสือธรรมวิจารณ์บอกไว้ว่าผู้ที่จะเรินสติปฐานสีให้ถูกต้องติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ทำให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ อย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอาณิสงส์สองประกาศนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันศาสตร์นี้หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันศาสตร์นี้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดทันวันฉะนั้นแต่ที่นี่ไม่ต้องเป็นพระอนาคามีทําลงไปเถอะแน่นอนที่สุดพวกจะลดน้อยไป ทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้เพราะการเห็นแจ้งรู้จริงนี่เมื่อถึงที่สุดแล้วก็จะมีเครื่องสัญญาให้เรารู้ทันทีนั้นยกวปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกับเรากระโดดข้ามของพ้นไปแล้วอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็เลี้ยวลงมาข้างนี้ข้างนั้นมันเป็นอันตรายไายกาดมีเสือมีผีมีอะไรขี้ประทับมีสัตว์ร้ายอยู่ที่นั้น เราโดดออกมาข้างเนื้ออันตรายไายการเรานะั่นจะตามเราไม่ได้นั่นแหละคือนิพพานพ้นไปจากโลกียธรรมคนใดยังไม่ถึงนิพพานยังไม่รู้นิพพานเขาเรียกว่าโลกียธรรมเป็นวิสัยของโลกเป็นวิสัยของเป็นวิสัยของคนไม่รู้ทันว่าอย่างนั้นดังนั้นที่ผมหรืออาตมา มาให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจในวันนี้ก็รับประกันคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าได้รับประกันคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ว่าสัต์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงในแหนงนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตที่ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นอยากมีอย่างเรตถาคตนี้ดังนั้น ว่าสัตว์ท้งหลายเป็นตถาคตสัตว์ทางไหนเป็นพระพุทธเจ้าอยันได้โปดดพระพุทธเจ้าไม่ใช่เนื้อหนังแข้งขาหน้าตามือเท้าเปลี่ยนคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจหปรงใสจิตใจว่องไวตัดสินลงไปถูกไม่ผิด น, น, นั่นแหละคือจิตใจพระพุทธเจ้ามีแล้ว